คือมี ก็มองหนะ้ากันนานๆให้งานสอง คุณคือม ใจมันใจงารอที่รักที่รักมันใกล้กันหน่อยคนมันรอมันรอแย่แนวรีบมารีบมาหรือมาจับหัวใจหน่อยคอยคอยเริ่มสดใสขึ้นทุกที Help me Help me Please Double love love love จะเป็นรักให้เธอ Double kiss